พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27สิ่งหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเตรียมตัวไว้เพราะตายแล้วไม่สูญอาวสัายา ย, ยาิโยมอยู่ในความสงบลูกหลาน มีอะไรหลวงตาจะพูดให้อะไรให้ฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนั้นลูกหลานนะแต่ว่าหลวงพ่อใช้นามว่าหลวงพ่อกันแล้วกันนันลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมแต่มองมองดูเห็นแต่เป็นรุ่นน้อ ง, น, องน้องของหลวงพ่อเกือบทั้งนั้นเลยนี่วะโดยมากเป็นลูกหลานจะมากกว่านี่เพราะฉะนั้นหลวงพ่ อ, อยังเรียกว่าลูกหลานนะลูกลูกห ล, ลานนะเพราะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออายุ73ปีแล้วนะลูกหลานนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงมาเรียกว่าหลวงพ่อนะเพราะนั้นให้ลูกหลานเห็นลูกหลานมาทั้งหลายมาเห็นแล้วโอ้หลวงพ่ออบอุ่นอย่างมากเลยวันนี้สาราหลวงพ่อนานๆจะเต็มครั้งหนึ่งดูวันนี้ก็สาราหลวงพ่อโอ้รู้สึกว่าอุ่นหนาฝาคลังเหลือเกินเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ว่าชื่อของท่านอาจารย์ผู้ที่พานำมาในชื่อว่ายังไงเนี่ยฮะ โอ้พวกขูวินัยธรวรวรชัดปรยุโตเจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคลก็มีดีกาอารัธนาไว้ก่อนแล้วนะพิธีถวายเทียนพรรษาก้าวัดจังหวัดอุรณธานีจังหวัดหนองคายออกดีกาณนะวัดป่ารัตนมงคลตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันอาทิตย์ที่2ีเดือนสิงหาคมพุทธศัรธศรกราช2560ัานะแล้วก็มาวันนี้ก็ได้มาที่วัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเห็นพี่น้องประชาชนสัทาญาติโยมมากแต่พูดมาในดีกาในมนีมนก็บอกกล่าวาก่อนนี่ก็ บอกว่าจะมีคณะทั้งหมด500คนถึงหรือเปล่าวานนี่ครับแต่น่าจะถึงนะเยอะเละเกินนี่วะอาจจะกว่าก็กไม่รู้เลยนี่วะพอเห็นคณะศรัทธาญาติโยมแล้วก็อบอุ่นนะแต่วันนี้หลวงพ่อเองถึงจะมามาเจอปังค้งคราวประเดี๋ยวประดาแต่หลวงพ่อเองก็อยากจะนี่แหละปีนทั้งสือแจกกวาให้ครบเลยนะเตรียมไว้500นะ อดูรนะู้นอาจจะคบพี่น้องแต่อันนี้จะถวายคูบาาจารย์พระสงฆ์อันนี้ถวายศรัทธาอมอบให้ศรัทธาญาติโยมแต่หนังสือเล่มนี้แต่ก่อนนะแจกแถวอุดรก็กรุงเทพนะแต่วันนี้เห็นว่าพี่น้องขอนแก่นมาหลวงพ่ออะไรแจกเพหนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมของคนพอสมควรน ะ, ะเพราะว่าไปแจกทางเชียงใหม่จนเขาพิมพ์ต่ออีกว่างัานแต่แต่ทีนี้มาแจกให้พี่น้องขอนแก่นจะยอมรับกันหรือเปล่ายังไง เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ทำํำตั้งชื่อว่าทำมเทเนาชุดต่อต่อตอตอต ต, ต, ตเปิดเข้ามาข้างในเตรียมตัวตายทีนี้เตรียมยังไงเตรียมตัวตายเอีอันนี้นะพวกคนถ้าว่าไม่คิดว่าตัวเองจะตายมันลืมตัวนะเนีมันพยองพองตัวมันทําไปสิ่งที่มันไม่ควรจะทํานะเพราะว่าตัวเองจะไม่ตายถ้าคิดว่าตัวเองจะตายเนี่ย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 หนังสือเล่มนี้นะเรว่าต่อต่อเตรียมตัวตายแล้วเข้ามาข้างในเปิดทางทงข้างหลังนี่หนังสือเล่มนี้เขาอ่านดูแล้วว่านังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างไรเขาก็ประมวลออกมาผู้ที่อ่านก่อนนะเขาก็พิมพ์เป็นหนังสือออกมาว่านังสือเล่มนี้ที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงในเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้เาเขาก็รวบรวม แต่หลวงพ่ออ่านเอ อ, อเขาก็รวบรวมได้สรุปได้ดีมากนะแล้วก็มีเรื่องการสุดท้ายอีกนะถ้าหลวงพ่อไม่โฆษณนาประชาธมพันนะพวกเราอาจรับไปแล็วอัจโริยนงสือทิ้งก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นจึงทำความเข้าใจกันก่อนเนี่ยแพระฝรัง่งเผชิญสามปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญาห น, น้าเกือบสุดท้ายนะคือพระฝรัง่งเป็นชาวเยอรมัน เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาวัดนานาชาตินะเขาแต่ดูๆแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วอายุประมาณสัก50กว่ากว่าแต่ท่านมาโยมมาบวชที่วัดนานาชาติปี2550ประมาณ1ิบสิบห้าสพรรษาแล้วท่านวานะและท่านก็เข้ามามาหาหลวงพ่อพอดวดัวพอบวชเข้ามาแล้วนะท่านก็คงจะไปประเทศพม่าสีลังกาเนปที่แบดอะไรลักษณะนั้นนะกันนะเกาเหลี่ยยปุน ไต้วันคงจะไปหลายประเทศทีนี้ท่านก็ได้มาวัดมาวัดที่วัดหลวงพ่อปี2อ5 0นห้าก็มาถามว่าท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญหาท่านอาจารย์หลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นฝรั่งใช่ไหมละ่ะไปที่ไหนพอแรงนะหลวงเอ้ยผมไม่ตอบปัญหาท่านท่านเอาปัญหาอะไรท่านไปถอถามที่อื่นจนพอแรงแล้ว จนหลอนแรกพลัแงแล้วมาถามหลอกๆเล่นๆกับผมผมไม่ตอบผมไม่ไม่ตอบท่านจะถามไม่ใช่ผมไปที่อื่นผมก็ไปแล้วท่านผมถามท่านแล้วท่านก็ตอบผมแล้วแต่ผมยังจะมาถามท่านถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบผมว่ายังไงที่ผมจะถามเนี่ยเออใช่คงไม่ตอบเหมือนกันเอาถามเขาเลยถามว่าผมเนี่ยเออ ไปตรวจสุขภาพพอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าผมเนี่เป็นไ ว, ไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับเนี่ยผมจะต้องไปไปหาหมอและไปรับยาจากหม อ, อ, อหมอก็ให้ยาตามอาการเพราะเดี๋ยวนี้คาว่ามะเร็งตับเนี่ยไม่มียายาไทยยาจีนยาฝรัง่งไม่มีนี่ว่าเป็นมะเร็งแล้วนะ ในเมื่อผมไปหาหมอหมอให้ยาตามอาการพอมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นผมต้องไปนอนโรงพยาบาลพอไปนอนโรงพยาบาลแล้วทีนี้พยาบาลรักษาผมเพราะมันหนักขึ้นมาเองผมก็ช่วยตนเองไม่ได้พอช่วยตนเองไม่ได้พยาบาลก็ต้องมาแก้ผ้าแก้เช็ดร่างกายให้ผมพอแก้มาเปื้อกผ้าแก้ผ้าเช็ดร่างกายให้ผมผมก็รู้มันผิดที่ไหน คือพระพุทธเจ้าพระพุทอ่านศึกษาในวิัยแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงแตะต้องร่างกายพระจนนาทีสุดท้ายแต่นี้ผมทํำยังไงผมป่วยหนักผมช่วยไม่ได้พยาบาลโดยมากก็เป็นพยาบาลหญิงโดยมากที่เห็นมานะแต่เมื่อเขาเช็ดร่างกายให้ผมออผมก็ไม่สบายใจแต่ผมขอถามท่านอาจารย์เทาวานนี้ในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นะ่ะ เ, เมื่อคราวค้งสุดท้ายเช่นนั้นน่ะเรา จะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์เขา เ, เขาถามความเห็นนะเพราะฉะนั้นลูกหลานอยากจ ะ, กจะรู้ว่าหลวงตอกหลวงพ่อถือตอบเขาว่างไงให้ลูกหลานอ่านนะที่นี้นะลูกหลานอ่านดูว่าเนี่ยหลวงพ่อตอบเขาว่าไงตอบพระฝรังว่ายังไงนะให้อ่านดูนะแล้วก็ปัญหาข้อที่สองทีนี้เขาถามว่าขณะที่ใจจะขาดใจจะหลุดออกจากร่างในช่วงนั้นลนะ่ะ จะบริกรรมกรรมฐานอะไรจะภาวนาพุทธโธหรือว่าจะยกหนอพองหนอหรือว่าสัมมาอารหังเราจะบริกรรมกรรมฐานอะไรในช่วงนั้นแล้วก็จะจะทําใจยังไงจะยึดอะไรยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพ่อยึดแม่ยึดคุณยึดคุณงามความดีแต่นึกยึดอะไรในช่วงนั้นถ้าถ้าว่าจะปล่อยวางจะปล่อยวางยังไงไม่ยึดมั่นถือมั่นในช่วงนั้น จะว่าคําว่าปล่อยวางคําเนี่นจะปล่อยวางยังไงสรุปแล้วในช่วงนั้นช่วงคุครองสุดท้ายอย่างนั้นน่ะจะทําใจยังไงจึงจุดูกต้องที่สุดตามความเห็นของท่านอาจารย์ครับนะฟังก็ถามนะวันในลกูกหลานอ่านด้วยซิว่าอหลวงพ่อตอบเขาว่าอย่างไงที่นี่นะเ อ, อถ้าหากว่าไม่พูดอย่างนี้ให้ฟังซะก่อนน่ยลูกหลานได้รับไปก็คงจะโยนหนังสือทิ้งนะ เ, ออเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้มีมีสาระนะแค่ว่าทุกคนก็ต้องถึงจุดจบอยู่แล้วต่อต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต้องเตรียมไว้ก่อนดีกว่า อ, อถ้าว่าเราไม่เตรียมไม่ไม่คิดไว้ก่อนออถึงคราวเช่นนั้นมา น, นเดี๋ยวคนคนที่มาบอกว่าให้ทําอย่างนั้นนายทำไมทำในมุดเห็นไหมเพราะกลัวตายใช่ไหมล่ะเออพราะกลัวตายแต่ตามไม่จริงถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้แหละเ อ, อ้ย จะกลัวทําไมวะเพียงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติพียงเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งเองแต่ทํายังไงได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายแหละจะไม่ตายทํายังไงเอาสมมติว่าเอาทูจีคนเกิดมาในโลกได้ไม่ตายสักคนแต่ล้นปูล้นทวดมาไม่ตายใช่ไหมมันก็คงจะเหมือนอึ่งอ่างอยู่ในกละมังไหยใช่ไหมเอออึ่งหมอึ่งอ่างอยู่ในสลอมอยู่ในคลองเอออยู่ในที่ขังของมันนะมันจะแน่นกันเราจะเอาไหมาอย่า ง, งานั้นใช่ไหมตายไม่เป็นใช่ไหมละ่ะมันก็คงจะไม่เป็นอย่างงานันมากัน เพราะนั้นธรรมชาติจะทํำยังไงได้เราจะทําใจยังไงในช่วงนั้นแต่ตายแล้วไม่สูญนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานลตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราหรครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันท่านมาภาวนาท่านพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยท่านมานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วเออมันไปตมตามแนวแถวของ พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้จริงๆคือพระพุทธองค์ท่านที่หนีออกจากเวียงวังในวันเดือน6ในในในครั้งนั้นพระองค์ไปบําเพ็ญที่ตั้งหปีอยู่ในป่าอยู่ในฝั่งแม่น้ำมโนมานาทีแต่พระนิสสุท่านก็ได้ตรัสรู้ที่พุทธคยาที่พวกเราได้ไปกราบไปไหว้นะที่ต้นโพนะพุทธคยาแต่พระองค์ได้นั่งสมาธิ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 จิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านพระไทยของพระองค์รวมเป็นหนึ่งพอจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดญารณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเแปลว่าปุเพที่วาสารุสติญาณระลึกชาติขนหลังได้นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานคณะสัตยาญาตโยมทั้งหลายนะพุทธศาสนาของเรานี่ยถ้าว่าพระองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะพระองค์จะระลึกชาติขนหลังได้อย่างไร เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอตามธรรมคาสอนของพุทธะที่ท่านนั่งคัศมาทิท่านตรัสรู้ในในต้นโพในวันเดือนหกเพนตอนย่คำค่ำตอนหัวคำ่ำปุบเพนิวา่าและลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตญาดใครข้าวดูการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์อย่างที่หลวงพ่อได้พูนต่อๆเนี่ยนะ การเกิดการตายของสัพสัตว์เกิดมาอยา่างไรและจะตายไปแล้วไปที่ไหนทีนี้ท่านก็มองดูอีกดูสรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกและก็ตายไปท่านว่ายิ่งกว่าหาฝนอีกออท่านพูดในตรัดในในพระไตรปิฎกนะการเกิดการตายของสรัพสัตวสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยพระองค์มองรู้อันนี้เป็นวิสัยของพุทธะเท่านั้นเองที่จะดูในจุดนี้ทนว่ า, านะ จากนั้นพวกองกค์มองดูว่าทำไมคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันออรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันออความรู้ความรู้ความฉลาดไม่เหมือนกันมั่งมีสีสุขไม่เหมือนกันออความอุดมสมบูรณ์ทุ ก, ทกอย่างทุกอย่างไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปร่างกลางตัวถึงจะมีเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันก็เป็นคนอยู่แต่ทาไมไม่เหมือนกันนี่แหละพกพระองค์ก็มองดูมองดูท่านก็มองดู ว่าความเป็นมาของแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนนั้นเป็นมาอย่างไรจนมาถึงจุดนี้มองถึงอดีตชาตินะพระองค์ก็มองดูแล้วว่ากรรมคือการกระทาถ้าหากว่าผู้ใดทำกรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั้นจ ะ, จ, ะจะตามมาให้ผลเพราะนั้นกรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาจึงไม่เหมือนกันถ้าหากว่าใครทากรรมชั่วคนนั้นเกิดมาก็ไปในทางที่ไม่ดี ร่างกายเกิดมาอับรักเป็นบ้าไบ่เสียจิตเป็นคนพิกลพิการอันนี้คือกรรมชั่วให้ผลมาเกิดแต่ผู้ใดทํากรรมดีำกรรมดีดระดับไหนกรรมดีมีหลายระดับอีกเหมือนกันกรรมชั่วก็มีหลายระดับอีกเหมือนกันที่มาพระธิศนําให้สรัรพสัตต์ดวงวิญญาณมาเกิดในโลกนี่ยพระพระุทธองค์ก็มองเดูเนวะว่าจุตูปปาตะยานการจุติและการเกิดการตายของสรัรพสัตต์ทั้งหลาย แล้วก็มองดูวิญญาณว่ากรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าว่าผู้ใดทำกรรมจริงไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองการทำกรรมทำได้สามทางมัดโนกรรมคือคิดไปในทางที่ดีหรือที่ชั่วคิดดีหรือคิดชั่วเป็นสองนะครับว่ากรรมกรรมคานี้นะ คาว่ากรรมเขานี้มันเป็นจาแนกเป็นสองกรรมดีและกรรมชั่วนะไม่ใช่ว่ากรรมแล้วจะชั่วทุ ก, ท, กทุกอย่างไม่ใช่นะถ้าว่าเราทากรรมกรรมคือการกระทาเราทากรรมกระทําดีหรือกระทําชั่วนะจากนั้นก็ เ, เมื่อคิดคิดดีและคิดชั่วซะก่อนเมื่อคิดดีและคิดชั่วถ้าคิดชั่วก็กเป็นบาปอกุศลถ้าคิดดีก็เป็นเป็นบุญกุศล ถ้าทำชั่วก็เป็นบาปอกุศลถ้าทำดีก็เป็นบุญกุศลถ้าพูดชั่วก็เป็นบาปอกุศลถ้าพูดดีก็เป็นบุญกุศลนี่แหละเมื่อทำลงไปแล้วแต่ดีกับชั่วมันกระําแนกให้พวกเรามาเกิดในมนุษย์จะต้องแยกกันแล้วแต่ถ้าใครทำกรรมชั่วกมชั่วก็ให้ตามมาให้ผลมันจึงแตกแตกต่างกันไม่มีอั น, อนไหน นอกจากกรรมเท่านั้นที่จะจําแนกให้สัรพสัตว์ทั้งหลาย แ, แตกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัาญญาตยาธิโยมลูกหลานสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งนี้ที่มันชั่วอย่าทำนะนสรุปแล้วสรุปลงชั้นๆว่าสิ่งไหนที่มันชั่วและอย่าทำให้ทําแต่กรรมดีสิ่งที่มันดีให้พยายามทํากรรมดีนั้นนะกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่านี่ว่าในหลักพระธรรมคําสอนในโอวาทปฏิโมกธันว่า อกตังดุกตังเส้ยโยปัจ ช, ชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องของกรรมนะไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนไม่ใช่พรมองค์ไหน จะประสิทธิ์ประสานให้กับพวกเรานอกจากเราเราเป็นผู้กระทําเองเออมื่อเราทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเมื่อเราทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ให้กับลูกหลานทุกคนนะ อ, อ, อย่างทุกวันนี้พวกเราได้ยินเราก็ไม่ได้ซ้ํำใดเติมที่ไหนหรอกออแต่ว่าสิ่งไหนก็ตามเมื่อเราเกิดมาในมวล ม, มนุษย์ชาติแล้วอย่าลืมตัวนะถ้าลืมตัวในเมื่อเรามีอํานาจวาสนา เราก็ลืมตัวพอลืมตัวเข้าไปแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะทำเราก็ทำในเมื่อทำลงไปแล้วแต่นี้นะ่ะกรรมชั่วที่เราทำกรรมชั่วเหล่านั้นก็จะตามให้ผลนะแล้วก็จะทำใครจะเป็นคนเดือดร้อนละ่ะนี้เราะละ่ะเป็นผู้กระทานั่นละ่ะจะเป็นผู้เดือดร้อนนี้ก็เหมือนกันพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะกรรมของใครของเราเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคนนะประกอบควรประกอบแต่คุณงามความดี สิ่งไหนที่ดีกัมกัมดีนั่นคืออะไรหลวงพ่อพวกเราอยากจะถามอีกนะคือคิดดีคือคิด เ, เป็นกุศลนะแล้วก็ทําดีคืออะไรการําดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่ดื่มสุราถ้าพูดดีเราหลวลงพ่อไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูด สิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่พูดยุยแยงกระแทงให้รว่วงทำยุยงให้เขาแตกแยกสมัคคีกันฮะอันนี้เราพูดไม่ดีนะแล้วก็นี่นะตัวสุราตัวสุดท้ายนี่หลวงพ่อจะขอย้ำอีกนะตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะถึงจะเป็นเงินข้องเราซื้อกินข้องเราปากข้องเราก็เถอะนะแต่พอกินข้าเราแล้วเราอยู่ในบ้านอยู่ในยุคนี้ที่สงบก็ไม่เป็นไรแต่พอกินเข้าไปแล้ว ออกไปออกไปข้างนอกเนี่ยนะ่ะนั่นแหะจุดนั้นละ่ะทําให้เสียหายเถอะนคนดื่มสุราเมื่อขาดเจติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างนะั่นลูกหลานคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะเหมือนกับคนเป็นบ้านนะคนขาดเจติเหมือนกับคนบ้าทําความชั่วได้เสียหายได้จะฆ่าใครก็ได้เพราะขาดเจติจะขโมยของของใครก็ได้เพราะขาดเจติจระลาบระ้วงในสามีภรรยาของใครก็ได้เพราะขาดเจติ จะโกหกใครก็ได้เพราะขาดสตินะนี่แหละสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นสินคุ้มของโลกสรุปแล้วนะพระพุทธเจ้าบัญญัติสินห้าสำหรับอุบาศกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาเนี่ยคือโยมผู้หญิงนี่แหละให้พวกเราสําหรับกระวาดญาติโยมนะให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่สําหรับคูบาอาจารย์น้องนงทั้งหลายที่ลูกพ่อเห็นเนี่ยขนณะเป็นพระสงฆ์ก็ว่าพระสงฆ์คํานี้ก็เป็นผู้นำนะ ผู้นำชุมชนผู้นำพี่น้องประชาชนไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าพระสงฆ์นี่เหมือนกับช้างเท้าหน้านะขาช้างมีอยู่สีขานะพระสงฆ์เหมือนกับภิกษุสัมาเนรเหมือนกับช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกับช้างเท้าหลังถ้าหากว่าช้างเท้าหน้าเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องเดินเป็นลงเหวลงบ่อเดินไปในตก หน้าผงหน้าผาช้างตัวนั้นก็ขาหลามก็ไปด้วยกันก็เสียหายไปด้วยกันทั้งหมดถ้าหาว่าช้างเท้าหน้าเดินไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แนหะไปกราบคู่บาอาจารย์ไปกราบพ ร, ระพุท ธ, ธปฏิมาไปพาไปสู่ศีลสู่ธรรมแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านก็แนะนําบอกว่าเอออย่าไปทําความชั่วนะให้ทําแต่ประกอบแต่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล ทำบุญทำทานเนะ้อพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้อทำสิ่งที่ดีคิดดีทําดีพูดดีเมื่อเราคิดดีทําดีแล้วเราจะไปชั่วได้ยังไงจะตกต่ําได้อย่างไรนะถ้าว่าเราเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลนะพวกเราจะเดือดร้อน เมื่อภายหลังตลอดไปต่างหากนะถ้าว่าพวกเราคิดดีทดําดีตลอดไปนะอะกรรมดีจะให้ผลให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญนะลูกหลานทุกผู่ทุกคนเนาะถ้าหลวงพ่อพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะไม่ได้ทานอาหารบ้างนี่เออเอาละท่านีหลวงพ่อพูดยาวเกินไปสักหน่อยเลยเนะี่ยวะเอารับพอแน่นอเนาะ